Thank mm -hmm. you. ที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นะมีผู้คนมากมายอาที่กําลังสนุกสนานกันจะเรียกว่าคนแทบทั้งประเทศเลยก็ว่าได้นะที่เขากําลังสนุกสนานรื่นเริงกันบรรยากาศนี่แตกต่างจากที่นี่ตรงนี้มากนี่เพราะว่ายัางอยู่ในช่วงสงกรานนะยิ่งวันนี้เนี่ยวันศุกร์นะวันี้เสาร์อาทิตย์วันหยุด คนก็ยิ่งถือเป็นโอกาสที่จะสนุกสนานกันอย่างเต็มที่โดยเฉพาะเนะมื่อคำหนึ่งในแง่ที่ว่าสองปีที่ผ่านมาเนี่ยผู้คนไม่ค่อยทได้มีโอกาสนะได้เที่ยวในช่วงสงกรานนะเพราะว่ารัฐบาลมีการล็อกดาวน์กัน เข้มงวดกวดขันเรื่องการเดินทางหรือว่าแม่นุ ญ, ญาตให้มีการละเล่นกันมีมาตรการเข้มงวดหลายอย่างแต่ปีนี้เนี่ยไม่มีการล็อกดาวน์มาตรการก็ผ่อนคลายลงคนซึ่งอดมาสองปีนะ ก็เลยนะถือโอากาสสนุกกันอย่างเต็มที่เลยทั้งที่สาการโควิดมันก็ยังไม่หนาไม่วางใจแต่ว่าความอยากสนุกสนานรื่นเริงเนี่ยเรียกว่า ม, มันท่วมท้นหัวใจนะจนระทั้งอดไม่ได้ที่จะ สงสารเรื่องเลิงเต็มที่ในช่วงสงกรานต์นะปีนี้จริงเนี่ยเอกลักษณ์ของสงกรานต์นะในตะไลมังก็คือความสงสนารนความรื่นเรืองนั่นแหละสมัยเทตมาเป็นเด็กๆนเนี่ย มันไม่มีเทศกาลไหนที่จะสนุกนะเท่ากับสงกรานต์แล้วล่ะเพราะว่าได้รดน้ำกันอย่างเต็มที่จุใจเลยรดน้ำกันทั้งวันแล้วก็ไม่ใช่แค่วันเดียวนี่หลายวันนะแล้วก็ไม่ได้รดน้ำเฉพาะคนรู้จัก คนในบ้านที่น้องแต่ลดสาดกันไปทั่วตามระแวแบกบ้านจะเป็นเพื่อนบ้านคนรู้จักหรือไม่รู้จักก็แล้วแต่ก็สาดนะไม่เว้นเลยแล้วก็ไม่ใช่แค่สาดอย่างเดียวนะบงทีก็เอา น้ำนี้อัดใส่ลูกโปง่งแล้วก็ใช้ลูกโป่งเนี่ยที่มีน้ำอัดอยู่เต็นเนี่ยคว้างกันพวมันสนุกมากเลยแล้วก็ไม่ได้ควางปลากับคนที่รู้จักอย่างเดียวนะคนที่ผ่านไปผ่านมาก็ ก็ไม่เว่นเหมือนกันนะซึ่งส่วนใหญ่เขาก็าไม่ถือสาสมัยนั้นนะห้าบหกสิบปีมาแล้วเนี่ยบางีเขนั้นไม่พอเนี่ยรถเมล์ผ่านมาก็จะออนน้ำสาดสาดใส่คนบนรถเมล์นะเพราะว่ามันเป็นถนนหน้าบ้านเนี่ยมันเป็นเป็นซอยเนี่ยรถ เมนี่ขับไม่เร็วอยู่แล้วเดือดเพราะตอนที่ชะลอจอดป้ายเนราเป็นโอกาสเลยเดือดเพราะกลางค่ำคืนก็สา์สาใสหน้าต่างตอนหลังมันสนุกไม่พอนะก็เอาลูกโป่งอย่ายยั ด, อ, ดอัดน้ำอยู่สาดคนะว้างเข้าไปด้วย นี่ก็เป็นความมสุขศสนาเรื่อเรแบบเด็กๆนะซึ่งผู้ใหญ่ก็ร่วมวงด้วยส่วนคนที่ไม่ไม่ปรารถนาจะสนุกแบบนี้พอมันเด็กเกินไปนะก็จะไปสนุกแบบอื่นการร้องรำทำเพลง อันนี้ก็เป็นความสนุกแบบผู้ใหญ่อันที่ทำกันไปทั่วหรือไม่ก็ไปเที่ยวเที่ยวทะเลเที่ยวเกาะไปประจนภัยให้มันสนุกก็ถือว่าเป็นความสุขอย่างหนึ่งแล้วก็บ่อยครั้ง ให้ความสนุกของผู้คนก็เกิดจากการทำอะไรที่มันแผลงๆซึ่งก็มีโอกาสที่จะทำได้ก็เฉพาะช่วงสงกรานะเพราะช่วงสงกรารณ่เขาอนุ ญ, ญาตให้ทำอะไรที่มันะละเมิดกฎเกณฑ์ทางสังคมได้หลายคนจะไม่รู้นะในช่วงสงกรา น, นี่มันเป็นช่วงที่เขาอนุญาตให้ ละเมิดกฎเกณฑ์ทางสังคมแต่ไหนแต่ไรมาแล้วเมืองไทยเราเนี่ยตามธรรมเนียมก็มีการมีแบบแผนมีกฎเกณฑ์ทางสังคมอธิกอรข้างคิดเงื่อนพอสมควรนะระหว่างผู้หญิงผู้ชายระหว่างพระกับโยมแต่พอช่วงสงกรานต์เนี่ยแบบแผนหรือกฎเกณฑ์ทางสังคมก็ผ่อนคลาย เป็นโอกาสให้คนเนี่ยได้ทำอะไรที่มันแผลงๆเนะช่นผู้หญิงก็อาจจะรวมหัวกันไปจับผู้ชายมาขึงพืชมัมแป้งหรือเรียกข้าไทยเนี่ยบางทีก็ลามไปถึงพระเนนก็มีนะหรือบางทีพระเนนก็ตัวกาส สงการนี่แหละนะสนุกสนานกันอย่างสมัยก่อ น, นี่ก็ว่านี่บางทีพระก็เล่นแข่งเกวียนกันนะแข่งเกวียนกันสมัยนั้นมันก็มีแค่เกวียนนั้นนะแล้วที่จริงมันก็เป็นการเป็นความสนุกของคาราวานะั้นแต่ว่าพระนี่ก็ถือเป็นช่วงเวลาพิเศษ สังคมอนุ ญ, ญาตใทำได้จริงๆมันก็ปิดวินัยนะแต่ว่าสังคมก็อนุญาตทําเมื่อคนก็เลยจือโอกาสเนี่ยทำในสิ่งที่มันเป็นเรื่องแผลงๆเพราะคงไม่มีอะไรสนุกเท่ากับการทำอะไรที่มันละเมิดกฎเกณฑ์ทางสังคมซึ่งก็ซื้อเนื่องมานะจนถึงทุกวันเนี่ยในหลายที่หลายแห่งเนี่ยอย่างถนนเข้าศาลหรือว่า บางทีตามย่านชุมชนในเมืองเนี่ยมันก็มีการทำอะไรที่พิเรนพิเร น, เรนซึ่งคนสมัยใหม่ไม่เข้าใจนะพอเห็นก็โอ้ยมันทำได้ยังไงเนี่ยผิดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของคนไทยทจริงๆนั่นแหละที่เขาทำนั่นแหละคือวัฒนธรรมประเพณีของคนไทยแต่ก่อนยนะิ่งก่อ น, นั้นก็ยังทำกันมาแล้วนะ แล้วาก็ถือว่าอนุญาตยอมยอมไม่ทําถือว่าปล่อยปีสักวันหรือช่วงเทศกาลนี้แหละ น, นี่เป็นความยิงเรียกว่าเป็นเทศกาลแห่งความความสนุกนะนะของผู้คนก็ถือว่าเป็นความสุขนะอย่างหนึ่งนะสำหรับคนทั่วไปนะความสุขก็เกิดจากความสนุก สนานรื่นเริงรวมทั้งการทำอะไรที่แผลงๆพิเรนหรือว่าละเมิดกฎเกณฑ์ทางสังคมหรือทำอะไรที่มันตื่นเต้นอาจจะไม่ได้ไปละเมิดกฎเกณฑ์ทางสังคมแต่ว่ามันแปลกใหม่เนะช่นไม่เคยไปเที่ยวทะเลก็ไปเที่ยวไม่เคยไปแคมปิง้งในป่าก็ไปทำอันนี้ก็ส่วนนั่นคือด้านหนึ่งนะของ วันสงกรานต์แต่มันไม่ใช่ด้านเดียวนะสงกรานต์นี่มันมีหลายด้านมันมีความหมายสาหรับคนหลายกลุ่มสาหรับคนส่วนใหญ่นะสงกรานต์ก็หมายถึงช่วงเวลาแห่งความสนุกสนานซึ่งจะสนุกสนานแค่ไหนแบบไหนนี่ก็ขึ้นอยู่กับวัยนะอย่างเด็กนี่ก็อาจจะ สนุกสนานโดยการสา์น้าควางลูกโป่งแต่เดี๋ยวนี้คงพัฒนาไปไกลแล้วนะพอเป็นผู้ใหญ่หน่อยเอ้าก็มาลื่นเลงร้องราทำเพลงดีกว่าหรือบางทีก็กินเหล้าสมัยก่อนคนไทยเราไม่ได้กินเหล้ากันพิพ่าเพลินนะจะ ก, กินเหล้าก็ช่วงเทศกาลอย่างนี้เท่านั้นแหละสงกรานต์หรือไม่ก็บุญบั้งไฟนะพอหมดเทศกาลก็กลับมา อยู่ในร่องในรออยู่ในกฎเกณฑ์แบบแผนทางสังคมเองคนจำนวนมากก็รอนะรอวันสงกราน์เนี่ยมันก็เด็กๆ ก, ก็รอแต่ว่าสงกราน์เนี่ยอย่างที่บอกว่ามันมีหลายด้านนะอีกด้านหนึ่งก็เป็นโอกาสที่คนจะได้กลับไปเยี่ยมเยือนพ่อแม่เยี่ยมเยือนญาติผู้ใจ ได้กลับไปบ้านเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนเนี่ยก็ทำงานกันความจำเป็นที่ต้องทำงานก็ทาให้ต้อง อ, อยู่ห่างจากพ่อแม่อยู่ห่างจากบ้านพอถึงช่วงสงการานต์นี่ก็ก็เป็นเวลาโช่วกะจีได้กลับไปเยี่ยมเยือนญาติผู้ใหญ่บารทีก็ไม่อยู่คนละจังหวัดแล้วนะ อยู่จังหวะเดียวกันแ ต, แต่ไม่ค่อยมีเวลากลับไปบ้านลูกเจอพ่อแม่หลานเจอปู่ย่าตายายมันก็ช่วยกระชับความสัมพันธ์หลายคนก็มีความสุขน่าจากการได้กลับไปเยี่ยมบ้านมันรู้สึกอบอุ่นใจพ่อแม่ก็มีความสุขหน้าที่เห็นลูก กลับมาเยี่ยมบ้านหลายคนก็ทำมากกว่านั้นนะถือโอกาสที่จะได้แสดงความกตัญญูแสดงความรักเช่นล้างเท้าพ่อแม่หรือบางคนก็ถือโอกาสที่จะได้บอกรักพ่อแม่มันเป็นช่วงเวลาที่จะได้ทำความดีหรือทำสิ่งดีๆให้กับ บุพการีผู้มีพระคุณหลายคนเนี่ยอยากจะแสดงความกตัญญูแต่บางทีก็ไม่กล้ารู้จึกรู้สึกว่าประดักประเดิกแต่พอถึงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยมันก็เป็นประเพณีที่เปิดให้คนได้แสดงความรักความ ผูกพันกับพ่อแม่โดยที่ไม่ต้องเขินอายบางคนก็อยากจะแสดงความกตออัญญูด้วยการล้างเท้าพ่อแม่หรือบางคนมีเรื่องที่ไม่สบายใจตอนเด็กๆหรือตอนหนุ่มสาวอาจจะทำอะไรไม่ดีกับพ่อแม่ อยากจะขอโทษขอคามาแต่ก็ไม่กล้าเอ่ยปากมันไม่ใช่ง่ายนะจะขอโทษพ่อแม่เนี่ยโดยเพาะคนที่ไม่เคยทำมาก่อนเนี่ยบางทีที่ถิพมาน้าของรุวมก็มากแต่ว่าสงกรานีมันเป็นช่วงเวลาพิเศษที่เปิดโอกาสให้คนได้ทำสิ่งนี้โดยที่ไม่ต้องใช้ความพยายามมาก เพราะว่าคล้ายๆเขาก็ทำกันนะแล้วก็มันก็เป็นมันก็มีแบบแผนที่ช่วยทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะแสดงความในใจออกมาได้เช่นขอขามาพ่อแม่ขอโทษมันก็เป็นการปลดเพื่องสิ่งค้างขาดใจซึ่งมันก็ธรรมดานะคนที่เป็นลูกเนี่ยก็ย่อมมีความรู้สึกโกรธพ่อแม่บ้าง หรือบางทีรู้สึกไม่ดีกับท่านบางทีน้อยเนื้อต่าใจถ้าไม่ใช่แค่ความรู้สึกอาจจะแสดงออกมาด้วยคาพูดรู้สึกเสียใจแต่ว่าก็ไม่กล้าที่จะเอ่ยปากบางคนก็ค้างคากันมาหลายปีนะแต่พอถึงสงกรานย์เนี่ยเรียกว่าเปิดช่องเปิดโอกาสให้ได้ทำสิ่งนี้พอทำแล้วก็สบายใจนะ ปลดป่งลงใจมันเป็นช่วงเวลาที่ผู้คนมีความสุขอีกแบบหนึ่งนะมันไม่ใช่ความสุขแบบสนุกสนานรื่นเริง น, นะจนเป็นความสุขจากความอบอุ่นในครอบครัวหรือจากความสัมพันธ์ที่ราบรื่นความสัมพันธ์ที่ราบรื่นเนี่ยไม่ใช่เฉพาะกับครอบครัวเท่านั้นนะ แต่กับผู้คนที่อยู่ใกล้เคียงรอบตัวนี้ก็มีความหมายนะรวมทั้งความสามพันกับคนในชุมชนด้วยโดยเฉพาะคนที่ได้กลับไปเยี่ยมบ้านกลับคืนสู่ชุมชนเนี่ยมันให้ความสุกที่ดีเป็นความอบอุ่นใจคนเราทุกคนก็ปรารถนาสิ่งนี้นะความอบอุ่นใจที่เกิดจากความสัมพันธ์ที่ราบรื่น คนที่เขามีอายุยืนนะในหลายวัฒนธรรมเนี่ยเมื่อหาเหตุปัจจัยเนี่ยก็พบว่านอกจากเรื่องอาหารหรือเรื่องอากาศแล้วเนี่ยปัจจัยสำคัญอย่างนี้คือความสัมพันธ์ความรู้สึกที่ยึดเหนี่ยวกับผู้คนในครอบครัวและชุมชนเนี่ยมันทำให้จิตใจมีความสุขแต่ที่จริงแล้วคนเราเนี่ย นะสามารถที่จะสัมผัสกับความสุขนะที่หลากหลายนะนอกจากความสุขที่เกิดจากความสนุกสนานเรื่อนเริงหรือที่เกิดจากการได้กินได้เที่ยวหรือความสุขที่เกิดจากสัมพันธภาพที่ราบเรื่อนมีความอบอุ่นใจเป็นที่ยอมรับหรือเป็นที่รับของผู้คนคนเรายังปรารถนาความสุขอีกชนิดหนึ่งนะคือความสงบ ความสงบในที่นี้เนี่ยนะหมายถึงความสงบใจคือมันเป็นมากกว่าความอบอุ่นใจนะความอบอุ่นใจเนี่ยมันก็มีส่วนช่วยนะทำให้เกิดความสงบใจหรือการที่ได้อปดเพื่องความรู้สึกผิดที่ติดค้างใจก็ทำให้เกิดความสงบใจขึ้นมาแต่ว่ามันยังมีเหตุปัจจัยมากกว่านั้นนะ ความสงบใจที่เกิดจากไม่ถูกรบกวนด้วยกิเลสหรืออารมณ์ที่เป็นอกุศลอันนี้คือความสุขชนิดหนึ่งนะที่คนเราเนี่ยควรจะสัมผัสหรือเข้าถึงให้ได้แม้จะมีความสนุกสนานรื่นเริงแม้จะมีความอบอุ่นใจเพราะมีความสวมัสธิ์ี่ในครอบครัว จากคนจนวนมากก็ไม่สามารถที่จะหรือไม่รู้จักนะความสุขที่เรียกว่าความสงบใจแต่ถ้าว่าคนเราเนี่ยเข้าถึงหรือได้สัมผัสกับความสงบใจเนี่ยนะมันก็ช่วยทำให้ชีวิตเี่มีคุณค่ามีความหมายมากขึ้นแล้วมันให้มีพลังนะในการที่จะทาสิ่งดีงามไม่ใช่เฉพาะกับคนรักคนใกล้ตัวนะแต่ว่ากับผู้คนในวงกว้าง ซึ่งมันก็ทำให้เกิดความสุขสะท้อนกลับมาบ ม, มรุงเลี้ยงจิตใจด้วยความสงบใจเนี่ยนะอย่างที่บอกกนะ็คือการที่ไม่ถูกรบกวนด้วยกิเลสหรือว่าอารมณ์อกุศลเนี่ยธรรมดาคนเราเนี่ยนะมันก็ย่อมมีกิเลสนะแต่ว่าในขณะทีะ่กิเลสยังไม่ได้สูญหายไปยังมีกิเลสอยู่ แต่ว่าเราก็สามารถที่จะรักษาใจไม่ให้กิเลสมารบกวนได้หรือรักษาใจไม่ให้อารมณ์อกุศลมารบกวนจิตใจไม่ว่าจะเป็นความโศกเศร้าความโกรธความเกลียดความน้อยเนื้อต่ำใจความเครียดความวิตกกังวลหรือว่าความโลภความอยากตัณหาเนี่ย มันไม่ได้แปลว่าความสงบใจเนี่ยสำหรับคนทั่วไปเนี่ยหรือปุถุชนเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีความโกรธไม่มีความโศความเศร้าความเครียดเกิดขึ้นนะมันเกิดขึ้นได้นะแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะครอบงําหรือว่าคุกคามจิตใจได้เพราะอะไรนะเพราะว่าเรามี เครื่องรักษาใจเครื่องรักษาใจที่สำคัญนะก็คือสตินี่แหละสะติมันทำให้เรารู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นโดยเพราะเมื่อมีการกระทบเช่นตาเห็นลูกอุดินเสียงนะเกิดความอยากขึ้นมาหรือว่าพอมีอะไรมากระทบเกิดความหงุดหงิดเกิดความกลัวขึ้นมา แต่ว่ารู้ทันมันนะไม่ปล่อยให้มันครอบงำจิตใจอันนี้คือสิ่งที่เราทำได้นะไม่ใช่ว่าจะไม่มีอารมณ์เหล่านี้เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นได้เดี๋ยวพอเมื่อมีการกระทบนะกับสิ่งภายนอกรวมทั้งกาดจากการกระทำและคำพูดของผู้คนรอบข้างแต่ว่าเรามีความสามารถในการที่จะ รักษาใจไม่ให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมาครอบงำ ย, ำย่ำดีทำให้ใจเป็นทุกข์หรือว่าเกิดความรุ่มร้อนเกิดความไม่สงบขึ้นได้รวมทั้งเราสามารถที่จ ะ, ะสร้างสมคุณธรรมหรืออารมณ์ฝ่ายบวกที่เรากุศลแธรรมเพื่อที่จะกำกับไม่ให้อากิเลสนี่มันกำเริบน ะ, ะเช่น เรามีความเมตตากรุณานะเรารู้จักให้อภัยหรือว่าเรามีความรู้จักพอนะมีความสันโดษนะไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็ช่วยถ่วงดุลหรือช่วยกํากับไม่ให้กิเลสเนี่ยมันกําเริบหรือว่ามาครอบงําจิตใจเราแต่ว่าธรรมะที่สําคัญเนี่ยก็คือสตินี่แหละงนะัถ้าเรารู้จักนะฝนะึกสติ ให้มีความให้มีกำลังให้มีความรวดเร็วปราดเปรียวรวดเร็วปราดเปรียวในเรื่องอะไรนะในการรู้ทันแล้วก็ยับยั้งใจหรือยับยั้งอารมณ์แต่จริงจริงเนี่ยแค่การรู้ทันเนี่ยมันก็มากพอแล้วนะที่จะช่วยไม่ให้อารมณ์พวกนี้เนี่ยเข้ามาครอบงำจิตใจได้ หลายคนเนี่ยยังไม่เคยรู้นะว่าตัวเองเนี่ยมีความสามารถตรงนี้ความสามารถที่มันมีอยู่ในใจของเราแล้วคือการรู้ทันความคิดและอารมณ์เมื่อรู้ทันแล้วเนี่ยนะมันก็ครอบงาจิตใจไม่ได้ให้ลองสังเกตว่าความทุกข์ใจเนี่ยที่มันเล่นงานเราอยู่บ่อยๆเนี่ย มันรู้ละแต่เป็นตัวความคิดและอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วครอบงำกากับหรือว่ายายีบีทาจิตใจเราทำให้เครียดทำให้กลุ่มทำให้วิตกทำให้นอนไม่หลับนะแต่เราสามารถที่จะรู้ทันมันได้เห็นมัน ถ้าหาว่ารู้ทันมันนะเท่าทันมันเห็นมันเนี่ยมันก็เหมือนกับผู้ร้ายนะที่แอบเข้ามาบ้านแต่ว่าเจ้าบ้านนี่เห็นซะก่อนพอเห็นเนี่ยมันก็ชะ ง, งักเลยแล้วก็ล่าถอยไปอารมณ์กุศลและกิเลสเป็นอย่างนั้นนะถ้าว่าเรามีสติที่ไวพอ แล้วมันทำให้ใจสงบไดนะ้มันอาจจะไม่ใช่ความสงบนะที่เกิดจากนะการหมดกิเลสนะกิเลสยังมีอยู่นะแต่ว่ามันจะเมียมนาจเหรือจิตใจเราได้น้อยลงเพราะเรารู้ทันมัน แล้วเราเพียง แ, แค่การรู้ทันมันเนี่ยโดยที่ไม่ต้องทําอะไรกับมันเลยเนะมันก็ทําให้เกิดความสงบในใจขึ้นมาได้หลายคนไม่ เ, ามมาเข้าใจว่าความสงบเนี่ยจะเกิดขึ้นได้เนี่ยเราต้องบังคับจิตให้นิ่งบังคับจิตให้ไม่คิดนะเพราะนั้นเวลาสนใจเรื่องภาวนาเนี่ยก็คิดแต่จะว่าเนี่ยจะมาบังคับจิตไม่ให้คิด หรือพอมีอะไรมากระทบก็พยายามมาขับจิตให้นิ่งเอาไว้แล้วก็พบว่าทำไม่สำเร็จสักทีเวลาภาวนาไปล่างนั่งสมาธิมันก็ยังมีความคิดขุดขึ้นมาอยู่เรื่อยๆเสร็จ แ, แล้วก็มีความผิดหวังว่าทาไมมันฟุ้งเยอะเหลือเกินจริงๆไอ้การที่มีความคิดเยอะนี่มันไม่ได้ทำให้ จิตเนี่ยว้าวุ่นหรือว่ารุ่มร้อนนะถ้าว่าเราเนี่ยรู้ทันมันเห็นมันมันเกิดก็เกิดไปนะแต่ว่าเราไม่ไปยุ่งอะไรกับมันไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับมันไม่ไหลาตามมันแล้วก็ไม่ไม่กดข่มผักไสมันหรือผู้ใหญ่เนี่คือว่าไม่ไม่ตามมันแล้วก็ไม่ต้านนัน ถ้าเราทำอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยต่อไปเราก็จะมีความสามารถในการละในการวางละหรือวางอะไรนะละความคิดวางอารมณ์ผู้ยานหรือผู้ยันก็คือไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นไม่ไปแบกไม่ไปยึดอารมณ์เรานั้นหรือถึงแม่จะยึดถึงแม้จะแบกด้วยความเผลอไปก็รู้ทันให้ความสงบใจไปเนี้ยคือสิ่งที่เรา ควรจะรู้จักควรจะได้สัมผัสนะและที่จริงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราสามารถจะฝึกให้เข้าถึงได้เนี่ยหลายคนก็ใช้ช่วงเวลาสงกรานยนะแทนที่จะสนุกสนานเรื่อนเริงหรือแทนที่จ ะ, ะหรือหรือแทนที่จะพอใจอยู่กับเพียงแค่การมีความอบอุ่นใจนะกับความสัมพันธ์ที่ราบเรื่น ก็มาใช้ช่วงเวลายอย่างนี้มาฝึกเพื่อให้ได้เข้าถึงความสงบใจอันนี้นก็เรียกว่าเป็นพัฒนาการนะคนเราเนี่ยจะพัฒนามากเพียงใดก็ดูก็ย อ, อยู่ที่ว่าคุณภาพของความสุขที่เรารู้จักเนี่ยมันมีการพัฒนาขึ้นหรือเปล่าถ้ายังติดอยู่กับความสนุกสนานเนี่ย อันนี้ก็ยังถือว่าไม่พัฒนามากหรือถ้ารู้จักสัมผัสกับความอบอุ่นใจนะจากความสมาที่ราบรื่นอนพราะมีน้ำใจมีความเอื้อเฟื้อมีความกตัญญูอันนี้ก็ถือว่าพัฒนาขึ้นมาแต่ว่ายังไม่พอนะเราต้องเข้าถึงความสุขอีกชนิดหนึ่งนะซึ่งเป็นความสุขอย่างใหม่สำหรับหลายคนนะนั่นคือความสงบใจ ที่เรา ม, มาสงบใจนะเพราะว่ารู้ทันความคิดแล้วก็ปล่อยรู้จักวางได้ต่อไปมันจะพัฒนาจนทั่งไปถึงอาการมีปัญญานะเห็นว่าเนี่ยทุกเนี่ยเกิดขึ้นเพราะความยึดติดถือมัน่นว่าเป็นเราเป็นของเรายึดมั่นในตัวตนนั่นเองแม้กระทั่งอารมณ์ก็ไปยึดว่าเป็นเราแม้กระทั่งความคิดก็ไปยึดว่าเป็นเรา ท่านาทีมันไม่มีอะไรที่จะยึดเป็นเราเป็นของเราได้เลยไม่ว่าจะรูปธรรมหรือนามธรรมถ้าไดเห็นอย่างนี้ได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่สงฆ์อางเดียวนะมันสว่างเลยนะจิตสว่างสว่างเพราะปัญญาซึ่งสามารถที่จะถอนเรื่อนะอวิชชาหรือกิเลสได้การทำยี่ได้เนี่ยความสุขของเราก็พัฒนาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งซึ่งไม่ทําให้เชสกาลอย่างวันสงกรานเนี่ยนะมัน มันมีความหมายที่พิเศษกว่าเดิมนะมันไม่ใช่เป็นเทศกาลอย่างความสุขสนุกสนานแต่เป็นโอกาสที่เราจะได้เข้าถึงความสงบและความสว่างซึ่งเป็นความสุขที่เราควรจะรู้จักนะเพราะที่หลายคนนะมาใช้ช่วงเวลาวันหยุดสงกรานนี้มาภาวานานเนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่นานมโนทนาถือว่า ได้ก้าวข้ามนะผ่านความหอยหาความสุขสนุกสนานหรือความสุดจากการเสพนะมาเห็นคุณคณ่าของความสงบนะจะถาว่าเราได้เข้าถึงความสงบนะอย่างแท้จริงคือความสงบที่เกิดจากความปล่อยวางไม่ยึดติดถือมัน่นว่าเป็นตัวเป็นตนเนี่ยมก็ถือว่ามันเป็นประโยชน์สูงสุดนะที่ ควรค่ากับความเป็นมนุษย์หรือคุ้มค่ากับการที่ได้เกิดมาเดี๋ยวเนี่อพืตอนนี้นะเอากลับคัะ